จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่30มสบมีนาคมพุทธศักราช5 5 9เป็นวันพระวันธรรมวสวนาวันฟังธรรม วันที่เราจะมาสร้างบุญบารมีที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ชีวิตของพวกเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขมีความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายคนเราที่เราเกิดมาแล้วมีความแตกต่างกันนั้นส่วนหนึ่ง ก็เกิดจากบุญบรารมีที่เราได้สร้างมาไม่เท่ากันนั่นเองถ้าเราสร้างบุญบารมีมากเราก็จะมีบารมีมากเช่นมีทรัพย์มากมีสติปัญญามากมีความรู้ความฉลาดมากมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมากทันนี้เกิดจาก บุญมารมีที่เราได้สร้างกันมาในอดีตชาติจึงทำให้พวกเรามาเกิดมีความแตกต่างกันมีความเจริญมากน้อยต่างกันอยู่ที่บุญมารมีที่เราได้สะสมมาในแต่ละภพแต่ละชาติมีคำโบราณที่พูดไว้ว่าแข่งรถแข่งเรือพอแข่งกันได้ แต่แข็งบารมีนี้แข็งไม่ได้บารมีนี้ต้องแข็งด้วยการสะสมสร้างกันขึ้นมาวันละเล็กวันละน้อยอย่างมนพระนี้เราก็จะมาสร้างบารมีกันถ้าเราสร้างมากเราเวลาไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าหรือในวันข้างหน้าในชาตินี้ชีวิตของเราก็จะดีขึ้นไป ตามลำดับถ้าเรายังไม่ถึงจุดสูงสุดในชาตินี้พอเราตายไปชาติหน้าเราก็จะไปสร้างบุญบรารมีต่อเราก็จะไปถึงจุดสูงสุดได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้สรงสร้างบุญบรารมีมาในแต่ละภพแต่ละชาติเช่นสมยุกต์ที่เป็นพระเวชสันดรก็สร้างทานบรารมี ยุคที่เป็นผ้ามาหาชนกก็สร้างวิริยะบารมีในแต่ละพกแต่ละชาตินี้เราอาจจะมีเหตุการณ์ที่ส่งเสริมหรือบังคับให้เราสร้างบารมีกันดังนั้นขอให้เราถ้าเราต้องการความสุขความเจริญก้าวหน้า เราต้องมาสร้างบารมีกันอย่าไปขอจากพรอพุทธเจ้าอย่าไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพราะของเหล่านี้ขอไม่ได้ของเหล่านี้ต้องสร้างขึ้นมาศาสนานี้ไม่ใช่เป็นศาสนาขอแต่เป็นศาสนาทำพระพุทธเจ้าสอนให้ทำพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราไปขอบารมีจากคนนั้นคนนี้ ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ท่านบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโทตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นที่พึ่งของตนด้วยการสร้างบุญบรารมีขึ้นมาด้วยตนเองแต่ก่อนที่เราจะสร้างบรารมีขึ้นมาไดา้เราต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สอนเราก่อนเพราะถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราจะไม่รู้ว่าเราต้องมาสร้างบุญบา ร, รมีกันเราก็จะไปทำอย่างอื่นแทนไปหาลาภยศสารเสริญกันซึ่งถ้าหาได้ก็ใช้ได้แต่เพราะเฉพาะชาตินี้เท่านั้นเช่นหาเงินหาทองนั่มรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่ไม่สร้างบา ร, รมีเวลาตายไป ดีไม่ดีอาจจะไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนเองก็ได้เพราะความรักทรัพย์สมบัติยังคิดถึงทรัพย์สมบัติของตนอยู่พอตายไปก็อยากจะกลับมาอยู่ใกล้ทรัพสมบัติก็พอดีมีสุนัขในบ้านตั้งท้องก็เลยไปอยู่ในท้องของสุนัขเรื่องนี้มีกล่าวถึงในพระไตรปิฎกสมัยพระพุทธกาล มีมาหาเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์มากร่ำรวยมากแต่เป็นคนตนันดีเป็นคนห่วงและเป็นคนโลภมากเวลาหาทรัพย์ก็ไม่สนใจว่าจะหามาโดยวิธีใดหาโดยวิธีทำบาปไม่ได้ก็จะหามาโดยวิธีทำบาปหามาโดยวิธีถูกสินถูกทำไม่ได้ ก็จะหามาโดยวิธีธรำบาปข้าสัตว์บ้างรักทรัพย์บ้างชอบโกงบ้างโกหกหลอกลวงบ้างแล้วก็สมบัติที่ได้มานี้ก็เอาไปฝังไว้ไม่บอกใครให้รู้ว่าสมบัติเหล่า น, นี้กิจฝังไว้ที่ไหนบ้างแม้แต่ลูกๆ ก, ก็ไม่รู้เพราะกลัวเดี๋ยวลูกจะแย่งเอาไปอย่างที่เรามีข่าวเขา ล่าสุดนี้ลูกแย่างสมบัติของแม่ไปแม่ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกแต่พอลูกโตขึ้นมาลูกก็มาหลอกแม่ให้เซ็นมอบอำนาจให้กับลูกพอเสร็จแล้วก็เลยยึดอำนาจ น, นี่คือสิทธิเหตุที่ทำให้คนร่ำรวยที่หวเงินกลัวว่าจะถูกคนอื่นมาแย่งไป ก็เลยเอาไปซุกเอาไปซ่อนไว้ตามที่ต่างๆแล้วพอตายไปเนื่องจากไม่ได้สร้างศีลบารามีไม่ได้สร้างทานบารามีตายไปก็เลยต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนเพราะความห่วงใยความคิดถึงสมบัติข้าวของเงินทองของตนพระพุทธเจ้ า, า ว, วันหนึ่งได้เดินผ่านมาเห็นสุนัขตัวนี้ ก็ทรงรู้ว่าอาดีตได้เป็นมหาเศรษฐีของบ้านนี้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติของบ้านนี้แต่เวลาอยู่ไม่ยอมทําบุญทําทานเพราะหวงทรัพย์ตนีอยากจะมีทรัพย์มากบ้าก็เลยเสียดายไม่อยากจะทําบุญทําทานและเวลาหาทรัพย์ก็ไม่คํานึงถึงเรื่องของศีศลธรรมหามาด้วยทุกวิถีทาง ถ้าต้องโกหกก็โกหกถ้าต้องโกงก็โกขอให้ได้ทรัพย์มากๆด้วยเหตุนี้เองเวลาตายไปจึงมาเกิดในท้องของสุนัขในบ้านของตนเพราะอยากจะอยู่ใกล้ทรัพย์สมบัติของตนนั่นเองแต่พอเป็นสุนัขแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาสมบัติไปใช้ได้พระพุทธเจ้าทรงเห็นทรงรู้ว่าเป็น มหาเศรษฐีกลับมาเกิดเป็นสุนัขก็เลยบอกลูกๆว่าสุนัขตัวนี้เป็นพ่อของเธอกลับมาเกิดใหม่พวกเธอเลี้ยงสุนัขตัวนี้ไว้ให้ดีเดี๋ยวสุนัขตัวนี้จะพาไปขุดสมบัติที่พ่อของพวกเธอฝังเอาไว้แล้วก็เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้สุนัขเดี๋ยวมันก็คิดถึงสมบัติมันก็ไปขุดคุยหาสมบัติที่มันฝังเอาไว้ ในอดีตชาลูกๆพอเห็นว่าหมาตัวนี้รู้ที่ฝังสมบัติก็เลยเชื่อว่าคนเหล่านี้ตายไปแล้วไม่ได้ตายศูนย์ไม่ได้ตายหายไปตายแล้วกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเกิดดีเกิดศูนย์เกิดต่ําก็อยู่ที่บุญบารมีถ้าไม่รักษาศีลตายไปไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ต้องไปเกิดในอบายก่อนต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนอย่างในศีลที่เราสมาทานกับวันนี้ศีลห้าในท้ายศีลนี้<ม>ก็มีอนิสงส์ของศีลอยู่สามข้อด้วยกันคือซีเลนะสุขติญันติแปลว่าผู้มีศีลนี้ย่อมไปสู่สุขคติสุขคติก็คือ ที่อยู่ของมนุษย์ของเดวดาของพรหมของพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้ารักษาศีลได้ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายที่อยู่ของเดลฉานของเปรตของหลัศู์รกายของสัตว์นรกนี่คืออนิสงส์ของการรักษาศีลห้าอย่างที่ญาติโยมได้มารักษากันในวันนี้ ขอให้รักษาจริงๆอย่ารักษาแต่เฉพาะเวลาอยู่ในศาลานี้พอออกจากศาลานี้ก็ทิ้งไว้ที่ศาลานี้ไม่เอากลับไปบ้านด้วยเพราะจะรักษาเพียงแค่อยู่ในศาลานี้เท่านั้นสินี้ควรจะรักษาไปเรื่อยๆรักษาให้มากเพราะว่าจะคุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้ตกไปในอบายนั่นเอง รักษาวันเดียวนี้ไม่พอถ้ารักษาวันเดียวอีกหกวันไปทําบาปมันก็ช่วยไม่ได้รักษาวันเดียวนี้ไม่พออย่างน้อยต้องรักษาสี่วันขึ้นไปถึงจะมากกว่าการทําบาปถ้าทําบาปกับการไม่ทําบาปถ้าการทําบาปมากกว่าการไม่ทําบาปตายไปก็ยังต้องไปอบาอยู่แต่ถ้าไม่ทําบาปมากกว่าการทําบาป ก็ตายไปก็ไม่ต้องไปอาบายคือต้องทำบุญด้วยไม่ทำบาปแล้วก็ต้องทำบุญด้วยทานสร้างทานบา ร, รมีด้วยเวลากลับมาเกิดจะได้มีโภคพย์มีความล่ำรวยนี่คืออานิสงส์ของศีลซีเลนสุกติยาติผู้มีศีลย่อมไปสู่สุกติข้อที่สอง สีเลนโภูกซัมพธาผู้มีศินย่อมมีโภกทัพ์คือมีสมบัติมีเข้าของเงินทองไว้ใช้อย่างพอเพียงเพราะอะไรเพราะคนที่มีศินเวลาทรมาหากินจะทำมาหากินด้วยความสุจริตจะไม่ไปลักขโมยไม่ไปช่อโกไม่โกหกหลอกลวงเงินทองที่หามาจึงหาได้ยาก จึงเห็นคุณค่าของเงินทองได้มาแล้วก็จะรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่ใช้แบบสุลุ่ยสุรายแต่ถ้าเงินทองได้มาด้วยวิธีช่อโกด้วยวิธีหลอกลวงพอหามาง่ายก็จะใช้ง่ายหามาไดเท่าไหร่ก็จะใช้หมดยิ่งใช้ก็ยิ่งอยากจะใช่คนที่หาเงินทองมาด้วยการทำผิดศีลผิดธรรมนี้ จะไม่ร่ำรวยคนที่ร่ำรวยนี้เป็นคนที่เขาหาเหงินทองมาด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตแล้วเขาเห็นคุณค่าของเองินทองที่หามาด้วยความยากลำบากเขาก็จะทะนุถนอมรักษาเงินทองไม่กล้าใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายไม่กล้าใช้ตามความอยากจะใช้ก็ใช้กับสิ่งที่จําเป็นเช่น เสื้อใช้กับอาหารใช้กับเสื้อผ้าใช้กับยารักษาโรคใช้กับที่อยู่อาศัยจะไม่เอาไปเที่ยวเอาไปเล่นเพราะว่าเอาไปเที่ยวเอาไปเล่นก็มีแต่จะเสียเงินเล่นแล้วก็ติดเที่ยวก็ติดก็ต้องเที่ยวอยู่เรื่อยเล่นอยู่เรื่อยเวลาไปเล่นไปเที่ยวก็จะไม่มีเวลามาทำอาหากินหาไปได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวก็เอาไปใช้หมด แต่คนที่หาเงินมาด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตด้วยความยากลําบากนี้จะไม่กล้าใช้เงินจะหวงเงินจะใช้แต่สิ่งที่จําเป็นแล้วก็จะได้มีเวลามาหาเงินเพิ่มขึ้นมากขึ้นไม่ต้องเอาเวลาไปใช้เงินเอาเวลาไปใช้เงินเงินก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเอาเวลามาหาเงินเงินก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ พอมีมากก็เอาไปขยายกิจการได้มีร้านหนึ่งก็ไปขยายเป็นสอง้านสามลม้านได้ต่อไปก็มีเป็นสิบเป็นร0อย้านขึ้นมาอันนี้เกิดจากการมีศีลธรรมทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุดจริญอันนี้สงข้อที่สของการรักษาศีลก็คือซีเลนนิบุติยนันติผู้ที่มีศีลนี้ จะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจคนที่รักษาศีลได้นี้จะไม่มีความวิตกกังวลกับการกระทาที่ไม่ดีของตนถ้าไปโกหกแฟนนี่ใจจะไม่สบายกลัวเดี๋ยวแฟนจะจับได้ถ้าไปขโมยเงินของคนนั้นคนนี้ใจก็จะไม่สบายกลัวเดี๋ยวจะถูกเขาจับได้ถ้าไปโกหกหลอกลวงใคร ก็ไม่สบายใจเดี๋ยวกลัวเขาจะจับได้ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของคนอื่นก็จะไม่สบายใจเพราะกลัวคนอื่นเขาจะรู้กลัวภรรยาสามีของเราจะรู้แล้วก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมาได้แต่ถ้าเรารักษาศี่ห้าได้นี้เราจะไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆจากการกระทาบาป ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขใจความสบายใจขอให้พยายามรักษาสินกันไว้ให้ดีแล้วชีวิตของเรานี้จะไม่มีปัญหาต่างๆตามมาคนที่มีปัญหาก็เพราะไม่รักษาสินมีแฟนคนเดียวไม่พอต้องมีหลายๆคนแล้วเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวกันวุ่นวายกันแล้วยิ่งถ้าไปแอบไปมี อะไรกับสามีกับภรรยาของคนอื่นเดี๋ยวภรรยาสามีเขาก็ของเจ้าของเขาก็จะต้องมาหาเรื่องหาราวกับเรานั้นอย่าไปทำผิดศีลทำผิดศีลแล้วจะทำให้เราไม่สบายใจมีความทุกข์แล้วชีวิตของเราจะไม่เจริญก้าวหน้าดีไม่ดีก็อาจจะต้องไปติดคุกติดตารางถ้าทำบาปมากๆทำบาปที่มี โทษแรงๆ<ม>เช่นไปฆ่าผู้อื่นหรือไปไปช่อโกงนี้ไม่มีเงินไปใช้เขาก็ถูกเขาจับฟ้องจับคัางคุกได้นี่คือเรื่องของศีลบารรมีที่เรามาสร้างกันในวันนี้สร้างให้มีความสุขในปัจจุบันและในอนาคตตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย ส่วนทานบาราีที่เรามาสร้างกันนี้ก็จะทำให้เรามีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองรอเราอยู่ในภพหน้าชาติหน้าเหมือนกับพระเวชสันดรที่สร้างบารมีทานบารมนีด้วยการให้ข้าวของเงินทองกับคนกับใครที่ต้องการเดือดร้อนมาขอให้ได้ให้หมดเลย พอตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์หลังจากลงมาจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมาเป็นราชโอรสมาอยู่แบบลูกของกษัตริย์มีประสาสามฤดูมีนางสนมกำนันมีบรสิสัทป์บริวารมีความสุขทุกรูปแบบที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรูปของกษัตริย์ที่สามารถสั่หามาได้นี่คืออนิสงค์ของการที่เป็นพระเวชสันดอของการสร้างทานบารลีพวกเราที่มาเกิดรวยจนไม่เท่ากันส่วนหนึ่งก็เกิดจากทานบารมีแต่ก็ไม่ได้เกิดจากทานบารมีเพียงอย่างเดียวรวยจนนี้ เกิดไดจากความขยันหรือความขี้เกียจด้วยสมมติว่าเราไม่ได้สร้างทานบารมีมาในอดีตชาติแต่เรามาเกิดเป็นลูกคนจนแต่เรามีความขยันทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถ้าเราทำไปเรื่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆต่อไปเราก็ร่ำรวยได้เหมือนกันแต่ไม่ง่ายเหมือนกับการทำทานในชาติก่อน ทำทานในชาติก่อนพอมาเกิดใหม่ก็มาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีเลยไม่ต้องไปหาเงินหาทองให้เหนื่อยยากมีพ่อแม่หาเงินให้เสร็จเรียบร้อยนี่คือรวยรวยสองแบบรวยแบบมีบา ร, รมีกับรวยแบบไม่มีบา ร, รมีมาในอดีตถ้าในอดีตไม่ได้ทำทานมาเกิดมาไม่รวยก็ต้องสร้างวิริยะบา ร, รมีในชาตินี้ วิริยะบารมีก็คือความขยันเหนียดมั่นเพียรอย่าเกียรติค้านขอให้เราขยันหาเงินหาทองถ้าจะเกียรติค้านก็ให้เกียรติค้านในการใช้เงินใช้ทองขี้เกียรติใช้เงินขี้เกียรตเที่ยวขี้เกียรซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆให้ขยันหาเงินหาทองใช้เงินทองให้กับสิ่งที่จําเป็นนับรองได้ว่าไม่นานก็จะเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้ นี่คือเรื่องของการสร้างบรารมีที่พวกเรากำลังมาศึกษาแล้วนำเอาไปสร้างกันข้อหนงทานบรารมีข้อสองศีลบรารมีข้อสวิริยะบารมีถ้าเราไม่รวยเกิดมาไม่รวยก็ต้องมีวิริยะบารมีพย า, ายามสร้างบรารมีให้มากๆพยายามขยันหาเงินหาทองให้มากๆ ต่อไปก็รวยได้แต่ถ้าเราไม่ชอบล่ารวยเราเห็นว่าความล่ำรวยนี้ก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวตายไปก็จบไม่อยากจะกลับมาเกิดเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องไปสร้างในขมมะบามีในขมมะบามีก็คือการถือศีลแปดถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราต้องมาถือศีลแปดกัน พราการถือศีลแปดจะทําให้เราหยุดความอยากต่างๆได้ในระดับหนึ่งห้ามใจเราไม่ให้ไปทําความอยาก mm. เช่นวันนี้ถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะไม่ไปนอนกับสามีไม่นอนกับภรรยา mm. อยากจะนอนก็ไม่นอนพรถือศีลแปดอยากจะกินข้าวเย็นก็ไม่กินอยากจะดูหนังฟังเพลงอยากจะหาความสุข จากมหาห่สรศบันเทิงต่างๆก็จะไม่ทาอยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามก็ไม่แต่งอยากจะนอนบนฟูกหนาๆนอนสบายนอนนานๆก็ไม่นอนจะนอนเพียงพอต่อความต้องการพักผ่อนของร่างกายก็พอจะเอาเวลามาทำใจให้สงบเพราะว่าการทำใจให้สงบนี้ เป็นการตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปเพราะเวลาใจสงบนี้จะหยุดความอยากได้แล้วถ้าอยากจะตัดภพตัดชาติได้อย่างถาวรก็ต้องสร้างปัญญาบารณีขึ้นมาปัญญาบารณีก็คือให้รู้ว่าภพชาติของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของพวกเราตราบใดที่มีความอยากอยู่ในใจของเราเราจะต้องกลับมา เวียน <break ount> ว่ายตายเกิดต่อไปถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราต้องไม่ทำตามความอยากการที่เราจะไม่ทำตามความอยากได้เราต้องมีความสงบมีความสุขใจเพราะว่าถ้าเรามีความสุขใจเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรตามความอยากที่พวกเราต้องไปทำตามความอยากกันก็<อ>เพราะว่าใจเราไม่มีความสุข ใจเราไม่มีความสงบพอไม่สงบไม่มีความสุขก็เลยต้องไปหาความสุขภายนอกก็เลยอยากไปดูอยากไปฟังอยากไปดื่อยากไ ป, กไ ป, กไปรับประทานอยากไปเที่ยวพอเกิดความอยากก็ต้องไปหาเงินหาทองมาเที่ยวกันเมื่อเงินทองหมดก็ต้องหาใหม่ ใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะความอยากไม่ได้หมดไปกับการตามทำตามความอยากและพอร่างกายนี้ตายไปความอยากที่มีอยู่ในใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากนี้ก็จะพาใจให้กลับมาเกิดใหม่เหมือนเศรษฐีที่กลับมาเกิดเป็นโสนพราะอยากจะอยู่ใกล้ทรัพสมบัติของตนเองอยากมีทรัพสมบัติก็เลยต้องกลับมาเกิดใหม่ แต่ถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะพรพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกนี้ท่านสามารถหยุดความอยากต่างๆภายในใจของท่านให้หมดไปได้ด้วยการสร้างทานบา ร, รมีสร้างศีลบา ร, รมีสร้างเนคข ม, มะบารามีสร้างอุเบกขาบาลมีคือความสงบ แล้วก็สร้างปัญญาบารามีขึ้นมาอพอท่านมีปัญญาบารามีท่านก็จะเห็นโทษของความอยากต่างๆว่าเป็นตัวที่คอยฉุดลากให้เราต้องไปหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มาหามาได้มากหามาได้น้อยก็ไม่พอพวกเราหามาตั้งแต่วันเกิดแล้วจนถึงวันนี้ความอยากได้มันหมดไปหรือยัง ทั้งๆที่เราได้เข้าของมากมายกายกองใช้จนไปชนใช้ไปจนมันตายก็ใช้ไม่หมดแต่เราก็ยังอยากอยู่เพราะความอยากมันไม่หมดไปด้วยการทำตามความอยากเหมือนทงที่อยากสูบบุหรี่ถ้าสูบถ้าทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่สูบไปเดี๋ยวก็จะมีความอยากสูบขึ้นมาใหม่อยากดื่มสุราพอดื่มแล้ว เดี that, ๋ยวความอยากดื่มสุราก็ถูก่ขึ้นมามความอยากจะไม่มีวันหมดจากการทำตามความอยากความอยากจะหมดก็ต่อเมื่อเราไม่ทำตามความอยากพอเราไม่ทำตามความอยากไม่กี่ครั้งเดี๋ยวความอยากมันก็หายไปคนที่จะเลิกบุหรี่เลิกสุราก็ต้องไม่ไม่ดื่มไม่สูบตามความอยากทุกครั้งที่อยากไม่สูบทุกครั้งที่อยากจะดื่มไม่ดื่ม ยวต่อไปความอยากนั่นก็จะหายไปพอหายไปแล้วก็รู้สึกเฉยๆ <c oughs> เห็นบุรี <c oughs> เห็นสุราก็ไม่มีความอยากเกิดขึ้นมา <c oughs> นี่คือเรื่องของการสร้างบรราลีต่างๆที่จะทำให้ชีวิตของเรานี้มีความสุขมีความเจริญมากขึ้นไปตามลำดับมีความทุกข์น้อยลงไปลำดับมีภพชาติน้อยลงไปลาดับ จนหมดไปได้ในที่สุดดูพระพุทธเจ้าของพวกเราเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าพยางสร้างบารมีต่างๆาขึ้นมาในแต่ละภพแต่ละชาติพอมาถึงภพชาติสุดท้ายก็สามารถตัดความอยากให้หมดไปจากใจได้ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายและเวลามาเกิดก็มาเกิดอย่างมีบารมี เกิดอย่างยิ่งใหญ่เพราะบารมีที่ได้สะสมได้สร้างไว้นั่นเองนี่คือเรื่องของการมาวัดในวันพระเพื่อมาสร้างบุญบรารมีต่างๆเพื่อที่จะได้ทำให้ชีวิตของเราในอนาคตนี้ดีขึ้นไปตามลำดับมีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับมีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับขอให้พวกเราพยายามทำกันให้มากขึ้นไปตามลำดับ วันนี้เรามาเริ่มในวันพระก่อนต่อไปเราก็เริ่มไปทามันไปทุกวันทำบาราีอันไหนได้ก็ทำไปอันไหนยังทำไม่ได้ก็พยายามทาให้ได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจที่จะทำแล้วรับรองได้ว่าเราจะทาได้ ความสำเร็จอยู่ที่ความพยายามอยู่ที่ความตั้งใจที่แน่วแน่ดังนั้นขอวันนี้ขอให้พวกเรามาตั้งจิตตั้งใจอันแน่วหน้าว่าต่อไปนี้จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตนี้ให้แก่การสร้างบารมีต่างๆเพื่อความสุขความเจริญและความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรพนาตรายและบุญกุศลที่ท่านได้มาบรรพเองกนในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนับสขัาภาละโดยทั่วหน้ากันเทอ